ก, การค่ะหลวงพ่อพระภิกษุสามเณรและก็ญาติธรรมทุกท่านนะคะก็ดีใจนะคะที่ที่ได้มีโอกาสจัดอีกทีหนึ่งแล้วก็วันนี้ขอย้อนตัวเองอีกนิดหนึ่งเพราะว่ามีหลายๆท่านเรายังไม่ได้รู้จักกันนะคะก็ะผู้แต่เปิดโรงเรียนสอนดนตรีอยู่ที่แม่ปะเผื่อว่า คือตอนนี้ 50% ก็เป็นคนแม่กาสาเลยค่ะอยู่ที่แม่ป่านี่เองนะคะได้มีโอกาสเรียนกับหลวงพ่อเนี่ยเข้าปีที่ห้าแล้วค่ะก็ไม่สามารถนับครั้งได้ไม่ไม่รู้กี่ครั้งแล้วนะคะก็ตอน แ, แรกๆได้คิดว่าตัวเองเปลี่ยนแ ป, ปลงจากเคยเป็นคนแบบนั่นกลายมาเป็นแบบนี้แบบนั่นกลายมาเป็นแบบนี้นะคะก็มาถึงตอนนี้เนี่ย ไอ้ที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงมันน่าจะเหมือนกับการปลอกเปลือกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนกับการกระเทาะออกไปหลายๆอย่างนะคะตั้งแต่เรื่องแรกๆ ก, กมาแล้วก็คือคำว่าเป็นคนบอกตัวให้เป็นคนกินง่ายอยู่ง่ายเมื่อก่อนไปที่ไหนก็โอ๊ยอันนี้เรากินไม่ได้อันนั้นนั่นเรานอนไม่ได้พอเรามาเข้าค่ายแบบเนี้นะคะ่ะมันมันทาให้เราเลือกไม่ได้แล้วก็เต็มใจรับ ที่หลวงพ่อบ้างจะพูดเขาว่าส ป, ปายะอยู่เสมอนั่นนะคะก็ก็คือส่วนเนี้ที่ทําให้พอเรากลับไปใช้ชีวิตจริงแล้วเนี่ยจากความที่เราเคยว่าเราอยู่บ้านสบายแต่กับออกจากนี่ไปมันสบายขึ้นกว่าเดิมเพราะมันไม่ติดแล้วะคะ่ะจะนอนที่นอนก็ได้ไม่นอนก็ได้จะอาบน้ําแดงก็ได้ไม่แดงก็ได้มันเนมันมันง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยะคะ่ะมันไม่ได้เชื่อว่ามันทําให้เราเป็นคนแบบนั้นก็เมื่อก่อนเราคิดว่าเป็นคนเรามีเหตุ ผลกับมีเหตุผลมากขึ้นเพราะว่าเราได้เป็นผู้ฟังมากขึ้นแล้วแล้วครั้นี้ก็มีเหตุอันจําเป็นที่ไม่ใช่จําเป็นค่ะหมายความว่าฟุกมากกว่าได้คอรของหลวงพ่อเนี่ยที่จะจัดเราจะพาคุณครูในโรงเรียนไปไปปฏิบัติด้วยปรากฏว่าอ่าที่คอของหลวงพ่อเขามีอันที่จะต้อง ล้มไปก็เลยติดต่อคุจิค่ะว่าขอม o v e มาที่แม่สอดได้ไหมตอนนั้นฉันไม่มีอะไรสักอย่างไม่รู้จะไปลรงที่ไหนก็เลยลงบ้านตัวเองนะคะก็รับไปนิดหน่อยนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่หลวงพ่อได้ได้มีโอกาสมาสอนที่นี่แล้วก็คนแม่สอดก็เริ่มรู้จักขึ้นนะคะค่ะการที่ได้มีโอกาสมาเป็นผู้จัดบ้างเนี่ยความรู้สึกมัน มันมันก็เปลี่ยนไปแล้วก็ได้อี ก, อกแบบหนึ่งคือได้จากการที่ตอนแรกเนี่ไปไปเรียนเดี่ยวก็คือคือมองเข้าไปข้างในไปเห็นได้รู้จักตัวเองข้างในแต่พอไปรู้จักข้างในปุ๊บเนี่ยเห็นว่าสิ่งที่หลวงพ่อพูด น, นี่ยนะเหมือนที่คุณสมคิดว่าเมื่อกี้ไม่รู้เรื่องเลยะมันมีแต่บาลีหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ปรากฏว่าสิ่งที่หลวงพ่อพูดเนะี่ยมันเป็นกุญแจแล้วมันเป็นความจริงด้วย ไม่สามารถที่จะลดทอนเมื่อก่อนเคยยกมือถามหลวงพ่อว่าไม่ให้มันลดลงมาหลวงพ่อบอกหพ่อลดไม่ได้แล้วราคาเนี้ขาดตัว <c oughs> <c oughs> ก็คือเป็นภาษาที่เหมือนว่าเราจะรู้แต่ว่าถ้าเราไม่ปฏิบัติมันมันไม่รู้ว่ามันเหมือนมีกําแพงมากั้นนะคะเราไม่สามารถเข้าไปในคําพูดของหลวงพ่อได้แต่ว่ากุญแจที่ที่ให้คือยกมือเนี่ยะคะ่ะยกเข้าไปค่ะ มันได้จริงๆค่ะเดี๋ยวประตูนะั้นมันจะค่อยๆเปิดออกไอ้ความหนานะมันจะค่อยๆบางนะคะแล้วเราก็จะเข้าไปฟังของหลวงพ่อได้แล้วก็หลังจากที่มีโอกาสฟังธรรมตอนแรกที่ไม่ค่อยเข้าใจพอดีพิจิเขาก็ให้โอกาสเราทางานเปิดโอกาสให้เราเข้าไปทำงานมากขึ้นนะคะต้องขอบคุณพิจิอีกทีหนึ่งตรงนี้ด้วยที่ทำให้เราได้ฟังธรรมจากรอบเดียวเนี่ยไม่พอ ต้องมาฟังสองสามรอบเพราะว่าต้องแกะเทปของหลวงพ่อซึ่งตอนนี้อยากจ ะ, ะเชิญชวนด้วยนะคะว่าถ้าใครคิดว่าเราอยากจะให้ไอ้ความหนาของกำแพงที่เราฟังทําไม่เป็นของหลวงพ่อซึ่งหลวงพ่อพูดความจริงแล้วก็บอกประตูทางออกของเราด้วยของเรามีประตูทางออกทุกๆคนแต่เราคลาไม่เจอที่หลวงพ่อให้เดินเดินไปคำคำไปมันก็วนกลับมาที่เดิมอีกซึ่งมันผ่านประตูนั้นนะ่ะไปแล้วรอบหนึ่งเรามันไม่ชัด นะคะพอะอาจจะเจอประตูแล้วก็หาวิธีที่จะออกไปไม่ได้กุญแจก็อยู่ตรงนี้นี่เองพ่อบอกทุกวันแล้วก็พอเราได้มีโอกาสมาคัดทมเขาเรียกว่าเป็นชมรมคัดธทมนะคะก็พอเราฟังรอบหนึ่งปกติแล้วฟังรอบหนึ่งก็ฟังไปเหมือนเราจะฟังรู้เรื่องแต่เมันฟังไม่รู้เรื่องแต่พอเรามาแกะปุ๊บเนี่ยท่องฟังแล้วก็จด พอจดเสร็จแล้วก็ต้องมานั่งเรียบเรียงเขาเรียบเรียงแล้วก็ต้องมาพิมพ์พิมพ์แล้วก็ส่งส่งแล้วก็เด้งกลับมากลับไปกลับมาบทเดียวเนี่ยฟังเป็นร้อยๆยรอบมันทำให้เราเห็นกุญแจที่หลวงพ่อยื่นให้เราอะคะ่ะมันชัดขึ้นมันทำให้เราเห็นว่าเวลาที่เราเดินหรือว่านั่งปฏิบัติอ๋อมันต้องทําอย่างนี้ซึ่งมันก็ไม่สามารถบอกได้ก็กุญแจใครกุญแจมันเนาะถ้าอยากได้ก็ลองมาสมัครที่พี่จีนะคะว่าอยากจะเห็นตรงเนี้ยให้มันชัดขึ้นนะคะเขาเรียกว่า ก็เป็นจิตอาสาที่จะมาคัดเสียงธรรมของหลวงพ่อกุญแจนี้ก็จะได้ชัดขึ้นครนี้พอเราได้ตรงนี้ว่าอ๋อจริงๆแล้เราต้องก้าวข้ามเข้าไปฟังภาษาตรงนั้นนะนะคะก็เลยอยากจะบอกเพื่อนๆว่าอันนี้ของจริงอันนี้คือความจริงที่เราที่ที่เราได้ไปเจอแล้วพอเรามาบอกเพื่อนอีกคนหนึ่งเพื่อนก็เจอเหมือนกันดังนั้นกลุ่มที่เราทำงานเนี่ยไม่ใช่ ไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งะคะพวกเราทำงานเป็นกลุ่มของแม่สอดซึ่งหลวงพ่อท่านเมตตาตั้งชื่อไว้ว่ากลุ่มธรรมะสังคีตาะไปเริ่มต้นที่โรงเรียนดนตรีนะคะแล้วก็แล้วก็วกอพอหลวงพ่อไปแล้วกลุ่มกลุ่มที่ได้เรียนกับหลวงพ่อในครั้งแรกก็กลับมาสนทนาธรรมกันที่บ้านที่โรงเรียนดนตรีนะคะแล้วก็เลยรวมกลุ่มกันเพื่อที่จะทำงานตรงนี้ต่อไปซึ่งในอนาคตก็หวังว่า ก็จะมีรุ่นน้องใหม่ๆอย่างนูอิม่มอย่างน้องเบนเนี่ยนะคะที่ยังอยู่ในเวเรียนอยู่ใช่ไหมคะก็ก็จะกลับมาแทนที่คนที่พวกเราจะน่าจะกลับไปช่วยงานอะไรของหลวงพ่อได้อีกเยอะตรงนี้ก็จะเป็นคนรุ่นใหม่ๆได้อย่างเงี้ยค่ะดงนั้นก็เลยขอบคุณสถานที่ด้วยที่อ่าแม่น้องโอนะคะได้ ได้ได้ให้ให้เรามาใช้ตรงนี้แล้วก็คาดว่าน่าจะไปใช้ได้อีกนานค่ะก็ณตอนนี้เนี่ยคิดว่าสัพยะหรือว่าอะไรที่เนี่ยจะทำให้ทุกท่านเปลี่ยนไปหรือปอกบอกเปลือกได้นะคบพอดีที่นี่มีมะขามมะขามหวานเยอะก็เลยก็เลยอยากจะอธิบายว่าตัวเองที่ที่ผ่านมาค่ะตัวเองลักษณะเหมือนมะขามคือเมื่อก่อนเนี่ย ก่อนที่จะปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเหมือนมาขามน้อยๆอะค่ะมันไม่เคยมันไม่รู้ว่าจริงๆแล้วไอ้ตัวนั้นมันมีเปลือกแล้วก็มันมีเนื้อแล้วก็มีเม็ดคือมันติดกันไม่หมดเลยอะค่ะพอมาได้เรียนธรรมะกับหลวงพ่อก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันมันมีเม็ดอยู่ตรงกลางแล้วมันก็มีเนื้อแล้วก็พอพอเราตั้งใจที่จะทําอย่างนั้นไดมาเรื่อยๆคือครูแต่ไม่เคยทิ้งอย่างหนึ่งที่จะบอกว่าหลังจากที่เรียนกับหลวงพ่อไปไม่เคยเข้าใจเลยช่วงแรกๆนะคะ เจ็ดวันเนี้ยเหมือนไม่ได้อะไรแต่ว่ากลับไปที่บ้านทำเหมือนกับที่ปฏิบัติค่ะทุกวันทุกวันจนจนมันเข้าใจที่ที่เรามาเรียนที่หลวงพ่อสอนแล้วได้อะไรก็ไปได้ที่บ้านเพราะว่า ไม่ไม่ได้เป็นคนฉลาดมากดังนั้นมันจะไม่ได้ในเนี้ยคะ่ะต้องกลับไปปลูกที่บ้านเยอะต้องไปลดน้ําที่บ้านเยอะมากเลยะคะ่ะก็ถึงจะเอามาลงดินใช่ไหมพี่สมคิดพี่สมคิดบ <c oughs> อกว่ายืนอยู่ในกระถางต้อหลวงพ่อยื่นให้ก็ต้องเอามาปลูกเองที่บ้านเพราะว่ามันมันไม่ได้โตตรงในเจ็ดวันที่หลวงพ่อยื่นให้นะคะก็ณตอนนี้ก็คิดว่าเรากําลังรู้ว่าเอ้มะขามเนี่ยจริงๆแล้วมันมันมีเปลือก ที่แกะออกไปได้และเนื้อ ม, มันก็ยังมีเม็ดมันอีกอย่างเงี้ยค่ะและในเม็ดมันยังมีตั้งหลายสีต้องมีสีขาวอยู่ในตรงที่สีน้ําตาลอีกพอเราปฏิบัติธรรมแล้วมันเหมือนมะขามมันเนี้ยค่ะ <c oughs> ดังนั้นน้องๆ อ, อ, อาจจะตอนนี้ยังไม่รู้ว่าที่หลวงพ่อพูดลูบน้ําลูบน้ํานี่ไม่เห็นมันเป็นลูบเป็นน้ํามันเหมือนกับว่าหนูกินมะขามไปทั้งเปลือกทั้งนั้นซึ่งอีกหน่อยมันก็ต้องแกะเปลือกกินนะคะก็ <c oughs> จะเป็นอย่างเงี้ย ค, ค, ค่ะหลวงพ่อค่ะก็เลยฝากไว้กับทุกท่า น, นะค่ะ ย้อนถางานเรื่องพิพธิธภัณฑ์โค้ตเขียนซึ่งผู้ใหญ่เองรับงานอันตรมานึงคือมาสร้างพิพิธภัณฑ์คือคือจริงๆอาชีพเป็นเป็นครูสอนดนตรีใช่หไหมคะแล้วก็พอมาปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อก็เริ่มตกงานนะคะตอนนี้ก็ไม่มีงานทําาปฏิบัติธรรมอย่างเดียวแล้วก็เมื่อก่อนเนี้ยคือชอบวาดรูปก็ไปไปเรียนวาดรูปแต่ใจตอนที่เรียนวาดรูปคือตั้งใจจะวาดรูปให้พุทธศาสนาอยู่แล้วค่ะหลวงพ่อ แต่พอมาปฏิบัติธรรมกับวาดไม่ได้เลยอะค่ะคืพอพ่พอมันจับผู้กันปุ๊บนี่มันมันตื้มันมันรู้สึกว่ามันเป็นมายาหมดเลยอะค่ะหลวงพ่อแล้วก็เลยทิ้งก็เก็บผู้กันหมดเลยอะค่ะไม่ไม่ไม่ทําอีกแล้วพอเราพอไปไปไปที่พีพิจภัณฑ์หลวงพ่อปุ๊บเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าใครก็ก็อยากจะช่วยงาน ก็เลยเอาทุกอย่างอ่ะมาทับทับทับไปที่พิพิธภัณฑ์มันเหมือนแบบภาษาภาษาเมืองพิพิธภัณฑ์แกงโฮอะฮะไม่รู้ภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรคือทุกคนก็มีความอยากให้อะค่ะหลวงพ่อแล้วมันเยอะเกินไปแล้วมันกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ไวนิ่วอะค่ะมันไม่น่ามองไม่น่าดูแล้วเราก็มีความสุขหลวงพ่อก็ต้องรับทุกคนแบบนี้ยก็เลยไปขออนุญาตหลวงพ่อว่าโยมขอรับคนเดียวได้ไหมก <laughs> ็คือว่ามันก็จะกลายเป็นความคิดเดียวก็คือขอคนไม่สอด นะคะนี่ขอประชาสัมพันธ์ของคนไม่สอดด้วยก็เลยว่าขอคนไม่สอดรับงานดีได้ไหมก็คือวงมันก็จะแคบลงแล้วก็ความคิดมันก็จะเป็นพลังเยอะขึ้นถ้าไม่งั้นคนนี้ก็เอานี่มาใส่คนนี้ก็เอ า, อา น, นีาาา่มาใส่มันก็เป็นขยะพยิพิธภัณฑ์ขยะไปอย่างเงี้ยค่ะก็พอเรารับมาถึงปุ๊บคันนี้ไปจ้างคนวาดรูปแล้วเขามันเป็นงานละเอียดเกินนะคะเขารับแต่มันแพงแล้วก็ไม่มีปัญญาไปไปหาเงินมาเยอะก็เลยตัดสินใจเปิด เกะเกะผู้กันใหม่ก็ก็เอามาทำใหม่คนนี้เพราะคือเรื่องราวเนี่ยก็ก็ประมวลไว้แล้วนะคะมันยาวไปทั้งเลา่าก็เล่าตอนที่ทำงานเนี่ยต้องใช้ท่าเดิมอยู่ในการวาดเนี่ยนานมากตั้งแต่ตีสี่เขาก็เหมือนกับเราทำวัดแต่ว่าไปไปไปวาดรูปวันหนึ่งก็ใช้ประมาณสิบถึงสิบเอ็ดชั่วโมงในการที่จะวาดรูปไม่ไม่เมื่อยไม่ได้ว่าเป็นลิธ ฐานุภาพของหลวงพ่อเทียนค่ะแต่เป็นพลังที่ที่เรารู้ว่าเราต้องเปลี่ยนเอเรียบทพอเรารู้สึกว่ามันตึงเรารู้มันหนักมันก็ถอนออกอ่ะหลวงพ่อแล้วแม่ถามว่าไม่เมื่อยเหรอเราก็ก็ถ้าเมื่อยก็เปลี่ยนมันก็จบอยู่แค่นั้นเองนะคะแต่ว่าสมาธิที่ที่เมื่มกอก่อนนี่น่าจะเป็นคนที่ไม่เมื่อยไม่ค่อยมีสมาธิเพราะว่ามาม า, มาปฏิบัติธรรมก็เริ่มมาเจริญสติเลยนั้น เราก็ไม่ค่อยเข้าใจถึงถึงเรื่องสมาธิมากเท่าไหร่ค่ะหลวงพ่อนี่เรียนตามความเป็นจริงค่ะก็ก็จะเป็นเรื่องของการเจริญสติแล้วรู้สรู้สึกตัวให้ชัดอย่างเดียวแต่พอมาวาดรูปปุ๊บเนี่ยรู้ถึงว่าเมื่อเราลากเส้นเนี่ยมันต้องประคับประคองอะคะ่ะแล้วพอพอมีอะไรมากระทบปุ๊บเนี่ยมันจะไปฟึ๊บอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็ก็ไปได้ตรงนั้นว่าอ๋อที่มันเป็นสมาธิดังนั้นส่วนที่เราได้เนี่ยพอสติเนี่ย ก็คือเราต้องประคับประคองไปด้วยนะคะพอคือเมื่อก่อนคือจะมีมีอารมณ์กับทางบ้านนะคะคือพ่อเดินผ่านนี่เขไม่ทําอะไรเลยรู้สึกหงุดหงิดแล้วเห็นหน้าพ่อคือท่านยังไม่ได้พูดเลยสักคำเราก็หงุดหงิดแต่พอมาวาดลูดเป็นสิ่งที่ได้คือมันเหมือนกับพูด ก, กันเราแป๊บไปอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ายังไม่ได้วาดพูด ก, กันไปถึงว่าเห็นหน้าพ่อโอ้อันนี้คือเราประคับประคองไม่ได้เหมือนกับว่าไอไอเหมือนกับว่าสติที่เราได้มา แค่แค่อะไรที่เราไม่พอใจผ่านหน้าเรากลับกระชอกเรากลับกระเทือนอันนี้ได้มาจากที่เราวาดรูปผู้กันแล้วมันมันเป๋ะค่ะหลวงพอ่อกลับไม่ได้เห็นสมาธิเลยเลยเห็นสมาธิตรงที่ไม่เคยเห็นว่าหน้าตาสมาธิมันเป็นยังไงคือเห็นว่ามันมันเป๋ไปอันนี้ค่ะเห็นหน้าน้องชายมันหงุดหงิดเรารู้สึกก็เลยว่ามันกระเทือนละมันเป็นละลอกวงละมันก็ก็อาการจากที่ได้จากการวาดรูป ได้เป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็อยากจะแนะนำคนที่ใช้เขาเรียกว่าอะไรอ่รางกายในซ้ําๆนานๆเช่นเช่นคนทำงานออฟฟิศหรือว่าหรือว่าอะไรที่นั่งนานนเกินไปแล้วก็บอกว่าล้าล้าล้าค่ะกูแต่ตอนนี้วาดรูปมาติดกันหลายเดือนสิบเอ็ดชั่วโมงไม่ได้ล้าเพราะว่ามันหนักแล้วก็เปลี่ยน ไอ้นี่มันตั้งมันได้เราเมื่อยคอแล้วก็ไม่ต้องรอให้มันปวดนะคะแค่มันรู้สึกเมื่อยก็เอาลงย้ายลงมาก็แค่นั้นเองคะคะ ก, ก็กลายเป็นว่าเป็นชีวิตประจำวันไม่ได้ไม่ต้องไปหาใครมานวดกล้ามคงกล้ามคออะไระคะ่ะพ่อะคะ่ะเป็นอย่างนี้เจ้าค่ะ